ขอความเจริญในธรรมกะมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่โรงปรพูพทธิยานในวันนี้คงเป็นการตอบคำถามของพระอวบกากเช่นเคยท่านถามว่าจิตมีโอกาสดับสลายได้หรือไม่ถ้ามีจะเป็นไปได้โดยพิธีใดเพราะจิตนั้นมันเกิดมาจากเหตุปัจจัยนะฮในกระบวนการของปฏิจจสุบาทก็เรียกว่าวิญญาณ เึงแปลว่าความรู้แจ้งหรือความรู้พิเศษมันเกิดมาจากอวิชากับสังขารคือเกิดมาจากกิเลสกับกรรมประหานั้นทันดับกิเลสทันดับกรรมผลจิตของท่านก็หลุดพ้นจากอสวะไม่คือมั่นหรยอุปาทานเวลาท่านนิพพานคือ ท, ท่านตายนะครับจิตท่านก็ดับ โดยไม่มีการกำหนดว่าไปเกิดในที่ไหนไม่มีการเกิดไม่มีที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยในการเกิดไม่มีก็ถือว่าดับเป็นนิพพานังปรมังสุญญ์ยังเป็นนิพพานที่ว่างเปล่าอย่างยิ่งคือศูนย์ถามว่านารกสวรรค์มีจริงหรือไม่ถ้าจริงบุคคลที่ตกนรกจะทนสภาพ น, นั้นได้อย่างไร คือเป็นสิ่งที่ทรงรู้เห็นด้วยพระยานของพระองค์และพระเจ้าทรงประกอบด้วยทิพยสุที่ทรงมองเห็นนรกสวรรค์แล้วก็เคยเสด็จไปสวรรค์ไปเสด็จไปพมทโลกเพราะงั้นเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ต้องข้องใจสงสัยอะไร แต่ว่าการที่สัตว์นรกเขาสามารถครองชีวิตอยู่ได้เนี่ยเราดูตัวอย่างง่ายๆว่าก ร, ร ม, มันเป็นกับเนตรตัวอย่างเช่นว่าหนอนซึ่งเกิดในพริกมันร้อนน่าดูนะแต่มันอยู่ได้แต่ว่าหนอนที่เกิดในพริกนั่นเองถ้าเราไปใส่ในปลามันตายหนอนในปลามันใส่ในพริกก็ตาย แสดงว่ากรรมเป็นกำเนิดกรรมเป็นเผ่าพันธุกรรมเป็นที่พึรร่งอาศัยตัวนี้กรรมมันก็หล่อเลี้ยงไว้แล้วก็เกิด ต, ต, ตายอยู่ในนรกนั่นเองจนกว่าจะสิ้นกระแสกรรมไม่ใช่ว่าอยู่ได้ตลอดนะฮะมันก็ตายบ้างกันหนึงจุดหนึ่งก็ตายตายแล้วเกิดใหม่ตายแล้วเกิดใหม่ตายแล้วเกิดใหม่ ก, หมก็เสวยผลกรรมทรมานตัวเองอยู่จนกว่าจะสิ้นกระแสของกรรมก็เป็นเวลานานโขทีเดียว การที่พระออกมาเรียกร้องให้คนร่วมบริจาคเงินเพื่อนําไปประกอบกิจกรรมต่างๆถือว่าผิดพระวินัยหรือไม่ในนี้ไม่ได้ทําเพื่อตัวเองนะเป็นการบอกกล่าวชี้แจงให้ชาวบ้านเขาทราบถึงความประสงค์เรื่องจะทําอย่างนั้นจะทําอย่างนี้แต่ว่าที่จริงพระไม่ควรจะออกไปพูดหรอกก็ควรจะโยมเขาพูดเขากล่าวชี้แจงกัน เพียงแต่ว่าเรื่องบางเรื่องมันโยมก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอยู่พระทำงานดูโดยลำพังท่านก็บอกกล่าวจะใครจะศรัทธาหรือไม่นะมันอยู่ที่ท่านคือวิไัยเขาห้ามเนี่ยในกรณีขอเพื่อตัวเอง หมายความขอสตางค์ชาวบ้านเพื่อตัวเองเนี่ยฮะแต่ว่าบางทีบางคนก็ขอได้นะฮะถ้าเป็นญาติหรือเขาเป่านาไว้ก็ขอได้คือไม่ใช่ตัดมือตัดเท้าทําอะไรไม่ได้เลยแต่ถ้าการขอเหล่านั้นเป็นการขอเพื่อตัวเองก็ผิด เ, ออเวลาเนี้ยมันมีพระบบราชบัญญัติไม่ใช่พระบบราชบัญญัติคือคําสั่งเกี่ยวกับการห้ามเรื่องอะไร นอกจากได้รับอนุญาตชสยก่อนเปิดกิจกรรมในทางวิทยุบางรายการเช่นสถานีวิทยุคนหนึ่งเนี่ยลองสังเกตดูว่ามันก็มีการบอกกล่าวชิญชวนจักชวนผู้ช่วยเหลือกันเพราะงานบางอย่างมันไม่มีเงินมันก็ทำไม่ได้อะไม่รู้จะว่างไงอย่างรายการวาระมารายการที่ทาโทรทัศน์ช่องเก้า จะรู้ทมนำชีวิตกับอยู่เย็นเป็นสุขออกในวันจันทร์อังคารพุธเสาร์รวมเป็นสี่วันสัปดาห์หนึงสี่วันคือค่าจัดทำนะมันมีนะมันมีค่าจัดทมอยู่นะจะประหยัดยังไงก็ต้องมีค่าใช้จ่ายมีการถ่ายทรมันคร่าวคร่าวไปแล้วก็มีค่าใช้จ่ายค่าฟิล์มค่ากล้องค่าคนงานะะอะไรต่าง เมื่อก่อนก็มีบริษัทไทยออยก็สนับสนุนอยู่ต่อมาไทยออยก็เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจนี่ะเขาก็ไม่สามารถจะสนับสนุนได้แล้วก็เลยบอกกล่าวญาติโยมลองดูเล่าสู่กันฟังนะว่าเหตุการณ์มันเป็นอย่างเนี้แต่าหากว่าญาติโยมต้องการใช้รายการดูก็ขอให้ช่วยกันบ้างเพราะเราก็หมดพ้นทางเหมือนกันที่จะทํา เรื่อนี้ค่าใช้จ่ายถ่ายทําคราวหนึ่งก็ตกประมาณออกาศได้ประมาณสิบแปดครั้งนะฮรค่าใช้จ่ายก็ตกประมาณหกหมื่นกว่าซึ่งถือว่าถูกมากๆในฐานะเป็นรายการโทรทัศน์เนี่ยเทียบเท่ารายการทีชาวบ้านก็จัดทาแล้วแม้แต่ครั้งเดียวก็ก็เป็นแสนแเราสิบแปดครั้งเนี่ยเราจ่ายหกหมื่นกว่าแต่นั้นก็คือค่าใช้จ่ายมันก็ต้องจ่าย เราก็บอกกล่าวญาติโยมตอนนี้ก็บอกให้พักไปก่อนเพราะว่าพอมีเงินทำอยู่ระยะหนึ่งแต่พอถึงจุดหนึ่งไม่อเราหาตัผ่อนเสิร์ฟไม่ได้ผมคงบอกอีกอะ่ะญาติยโยมช่วยมาเขก็ทำไปได้ไม่ช่วยเราก็จบเราก็เลิกคืองานมันไม่มีความสมบูรณ์ในตัวของมันแต่ตรัฐบาลให้การสนับสนุน ให้เวลาออกอากาศเราสนับสนุนมีคนสนับสนุนค่าใช้จ่ายอันนี้ก็ไม่ต้องบอกเราก็ทําไปได้เพราะว่าค่าใช้จ่ายในส่วนของพระเนี่ยโดทย์วิทยาตมาเองเนี่ยไม่มีอยู่แล้วแต่ว่าเวลานิมนต์วิทยากรมาจากอื่นเนี่ยมันก็ต้องจ่ายถวายท่านบ้างนะค่าผ่านหนะาน้ํามันอะไรอะไรนี่มันไม่ได้จ่ายเต็มที่หรอกแต่ว่ามันก็ต้องจ่ายบ้าง เพราะในการบอกกล่าวกันเนี่ยบางทีมันก็จำเป็นนะนะ่ต้องเข้าใจกันว่างานบางอย่างเนี่ยมันทําไม่มีเงินมันก็ทําไม่ได้เพราะว่ายุคสมัยมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วมไม่ใช่สมัยพุทธกาลนะฮะพุทธกาลก็เดินไปการทํางานเผยแผ่บานก็คนกลุ่มไม่ใหญ่ แต่ว่าเมื่อเราต้องการใช้สื่อใหญ่ทำยุคสมัยเนี่ยเราก็ต้องมีค่ า, ชาใช้จ่ายอย่างรายการกอันาตมาเองก็ที่จริงก็มีค่ า, ชาใช้จ่ายแต่ว่าไม่บอกกล่าวด้วยรายะโยมเท่านั้นเองคือว่ามามีกองทุนที่กองทุนในรัตนานุภาพแตะโยมก็มาช่วยกันพอบ้างไม่พอบ้างเราก็กล่อมแกร้มไปได้แล้วก็ไม่คเกียวกรบกวนชาวบ้าน แต่เป็นงานที่เราต้องทําเดือนหนึ่งปีหนึ่งก็เป็นแสนนะฮะแสนกว่าเดือนละหมื่นกว่าบาทยิ่งกวแสนกว่าซึ่งไม่มีงานอะไรที่ที่ไม่ได้จ่ายหรอกคือบางทีเราก็เรียกร้องให้พระทําอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นอะไรแต่แต่แค่แค่พระรวยอะไรนักหนาคือถ้าญาติโยมไม่ช่วยเรื่องเงินแล้วก็ทําไม่ได้หรอก ว่าทำงานอะไรก็ตามแม้แต่จัด ก, การอบรมเข้าไขา้พุทธบุตรพุทธธรรมอะไรแต่ไรเนี่ยเราเด็กมาเข้าไข้คราวหนึ่งเนี่ยค่าใช้จ่ายยังเบาเบานะเบาเบาในหัวหนึ่งก็ร้อยห้าสิบถึงสองร้อยแล้วก็กลายเปค่าใช้จ่ายเป็นหมื่นหมน่เด็กตั้งสามร้อยห้าสิบเด็กตั้งสี่ร้อยอย่างเงี้ยนั่นคือปัญหา ปัญหาในการทํางานว่าพระกับชาวบ้านเนี่ยต้องช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุนกันชาวบ้านก็ต้องช่วยสนับสนุนพระบ้างแต่จะให้พระทํางานนั้นถ้าไม่สนับสนุนก็ทาไปไม่ได้แต่ส่วนมากพระที่เรื่อะไรบอกกล่าวอย่าถูกด่าอยู่เรื่อยนมาไม่เรื่องะไรแต่ว่าเข้าใจเข้าใจท่านเหล่านั้น ว่าถ้าไม่มีเงินท่านก็ไปไม่ได้เหมือนกันเพราะในการบอกกล่าวในกิจกรรมเหล่านี้จึงไม่มีอบับาลปรับเพราะท่านไม่ได้ทาเพื่อตัวของท่านแต่เป็นการขอเพื่อตัวของท่านท่านก็ปรับอับาลสาเหตุของการสาบศูนย์ของพระพุทธศาสนาในประเทศอินเดียมีสาเหตุอะไรบ้างสาเหตุมันก็หลายสาเหตุนะนะ คือว่ากันตามความเป็นจริงคือพระเราสาเหตุภายในนะฮะสาเหตุภายในเนะี่ยถ้าเราเกิดแตกแยกกันในด้านศีลคือปฏิบัติศีลนี้ไม่ตรงกันศีลข้อเดียวกันตีความไม่ตรงกันปฏิบัติแล้วก็ไม่ตรงกันพอตามมาเกิดเป็นปัญหาก็แตกแยกกันไปนิกายต่างๆแล้วความเห็นในเรื่องธรรมะข้อเดียวกันก็ไม่ตรงกันอธิบายบางทีไปคนละเรื่องคนละราวกันเลย ลักษณะนนเหล่านี้แม้ในปัจจุบันมันก็ยังมีอยู่ในบางประเด็นได้ว่ามันไม่รุนแรงจนถึงก็ต้องแตกเป็นนิกายแต่นั้นมันก็ทำให้พวกเราเองเนี่ยอ่อนแอบางยุบบางสมัยเนี่ยแตกจนถึงยี่สิบนิกายนะสิบแปดนิกายยี่สิบนิกายเขาแดงว่ากำลังก็อ่อนเพรียแรงเราต้องการแต่จะให้อีกฝ่ายหนึ่งพินาศไปแต่นั้นเอง ในสุดสัสน า, าก็อ่อนแออยู่ภายในเหมือนกับต้นไม้เหมือนกับอาคารบ้านเรือนใ่ถูกนอกถูกมอดถูกปวดปวกมันชอนชัยจะพังไม่พังแหล่อยู่และการบินนบัติของพระเองก็มีแต่ถกเสียงมีแต่โยมตีกันชาวบ้านเขาก็รำคาญมีแต่พระด่าให้ฟังกันยกตนเองข่มคนอื่น ถ้าดูถูกบูมินบุนคคลอื่นใกล้ใก้คนอื่นไม่ใช่พระตัวเองก็เป็นพระอยู่พวกเดียวตอนนี้มันมีการขัดแย้งกับาศาสนาคริสต์ไม่ใช่ศาสนาคริสต์ศาสนาฮินดูก่อนครับาศาสนาฮินดูเนี่ยมาเริ่มขัดแย้งกันแล้วก็ต่อสู้กันตั้งแต่ศตวรรษที่ที่หกนะฮะเริ่มต่อสู้ค่อนข้างแรง จนเราแตกก็เป็นนิกายใเรืยกงขอมาหาญาติสืบต่อกันมาในปัจจุบันก็แตกแยกกันในคราวนั้นเนะี่ยเราก็พยายามจะกลืนฮินดูฮินดูก็พยายามจะกลืนเราก็สู้กันจนถึงศตวรรษที่14นะฮะ13 14ตอนายุ ข, ของสังกราจารังจาร์ก็เข้ามาบวชเป็นสามเณร เ, เป็นพระในภูษานาศึกษาบรรไดบิดแกแตกฉานไม่กี่วัน ในยี่เดือนนะฮะศึกษาแตกชานหมดแล้วก็ปลอมแปลงคำสอนดึงเอาคำสอนในผพุทธศาสนาไปไว้ในค์พระเวทตอนที่ว่าดเดวีฐานตาตอนที่ว่าเดออุปนิสสัตไปคำสอนพุทธศาสนาอยู่เยอะในสถานที่นั้นแล้วก็ไปสร้างเรื่องเป็นตำนานพวกอวตารนะ่ะอวตาร่าปุจ้ า, าก็เป็นอวตารปังเด่นของ พระนารายเดียวพุทธอวตารเป็นอวตารปางที่ 9, เก้าเช่นเดียวกับพระรามพระกฤษณะอะไรอะไรต่างๆอีกเจ็ดปางนะครับแล้วในที่สุดก็โจมตีห่าว่าการที่พระนารายต้องอวตารลงมานั้นเพราะว่าคุณปฏิบัติตามลักที่ของาศาสนาพราหมณ์ไปบังเกิดในสวรรค์กันมากทำให้เทพประรุเทติดาแออาเยียดอยู่ในสงสวรรค์ พระนารายณ์จึงต้องจุติมาพืชสอนคําสอนผิดผิดให้คนปฏิบัติผิดผิ ด, ดเพื่อจะได้ตกนรกเสียบ้างแล้วก็เทศไปเรื่อยๆนะจนถึงกับทำลายรูปแบบของพระสงฆ์พระสงฆ์ในที่สุดมันก็เสื่อมก็ไม่ได้เสื่อมทั้งหมดแต่กลุมหนึ่งเนยมันเสื่อมก็เรียกว่าเข้าไปพวกรหัสยานพวกกุศยานก็เป็นลทัทธิตันตระ ของฮินดูนะฮะตันตระกฮินดูก็เข้ามาปลอมแปลงกันในพระพุทธศาสนาจนพระดื่มสุราแล้วก็มีเพศสัมพันธ์ไปศา ส, สนาก็ทรุดเสื่อมลงไปางามากก็ดีที่ว่าตอนนั่งศาสนามันกระจายไปอยู่ในส่วนต่างๆของโลกแล้วหรือถ้าอยู่เฉพาะอินเดียคงจะไม่เหลือมาถึงปัจจุบันแต่ก่อนหน้านั้นตั้ง เรียกว่าอะไรล่ะก็พันปีนะฮะพันปีในาศาสนาออกมาก่อนเร้กระจายอยู่ในส่วนต่างๆ ต, ตลอดถึงประเทศไทยของเราในการต่อมาของทัพอิสลามเติร์กออเตอร์ ก, กีเนี่ยนะยกกองทัพมาทำลายแต่คราวนั้นเราต้องมองกันด้วยความอยู่ในธรรมนะว่าเขาไม่ได้ทำลายเฉพาะเรา เขาทำลายทุกศาสนาที่ไม่ใช่ศาสนาเขาเพราะินดูก็โดนทำลายศาสนาเชนก็โดนทำลายศาสนาอะไรก็โดนทำลายนอกจากอิกสลามเนี่ยแต่ว่าเพราะเราอ่อนแออยู่ข้างในเราจึงเสื่อมอินดูก็ถูกทำลายเหมือนกันทำไมเขาอยู่ได้ก็ยังเป็นประชากรส่วนใหญ่ของอินเดียอยู่ในปัจจุบันอินเดียมีประชากรประมาณตัเก้าพันล้านนะ ระชากรันล้านเก้าร้อยล้านก็เป็นฮินดูอยู่ถึงเจ็ดร้อยกว่าล้านนะก็ไม่ใช่ธรรมดาถ้านาะ ล, ง, ลงมาเป็นอิสลามก็ประมาณร้อยกว่าร้อยรอยกว่าไม่มากเท่าไหร่มันก็แสดงให้เห็นว่าปัญหาภายในคือความอ่อนแอในภายในเนี่เป็นปัญหาใหญ่ที่ทำให้ถูกทำลายได้ไง่ายๆ พุทธศาสนาก็เสื่อมไปจากอินเดียตั้งแต่ศตรวตรรษที่เจ็ดคือปศพันเจ็ดร้อยเนี่ยอินเดียตอนกลา ง, ก, ลา ง, ก, ลางก็เสื่อมแล้วอินเดียตอนใต้หลังใต้ผู้ขอวินไทยลงมาตายไ่น้ำโคโทาวาลีลงมาเนี่ยก็เสื่อมเมื่อศตรวตรรษที่เก้าศพันเก้าร้อย พันเก้าร้อยถึงสองพันสองพันหนึ่งสองพันสองสองพันสามเนี่ยมาเรื่อยๆมาเนี่ยมาปสองพันสี่ร้อยกว่าเนี่ยสมัยไดการที่ห้าไการที่ห้าก็เรียกว่าสี่ร้อยกลางๆไปแล้วนะฮะสองพันสี่ร้อยสี่สิบกว่าจึงได้หวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็เรียกว่าเมื่อร้อยกว่าปีมานี้เองแหละก็กลับมาสู่อินเดียอีกครั้งหนึ่ง มันก็ธรรมดานะฮะธรรมดาของสังขารทางกายก็เป็นอย่างนั้นาศาสนาเนี้มันอยู่ที่าศาชนิาคนนับถือแต่ น, นั้นเด้งถ้าวันไหนประชาชนไม่นับถือมันก็จบแล้วก็อยู่ไม่ได้แม้ว่ารับที่าศาสนาจะดีพิเศษยังไงก็ตามพระพุทธาศาสนาเป็นาศาสนาที่ดีมากๆเป็นสมบัติที่มนุษยชาติไม่เคยค้นพบอะไรที่ดีพิเศษเท่ากับพระพุทธาศาสนาเป็นหลักแข่ง สันติธรรมสันติสุขจนถึงกับสันติสูงสุดคือบรรลุมรรคผลนิพพานไปแต่ว่าคนมันบางยุคบางสมัยเนี่ยไม่ไม่ได้มีกำลังมากพอที่จะมองเห็นคุณค่าของศาสนานั่นก็ทำให้ศาสนาเสื่อมไปได้มันก็เรื่องธรรมดาประเทศไทยเราเองก็เถอะต่าหากว่า ไม่ช่วยกันศึกษาไม่ช่วยกันปฏิบัติไม่ช่วยกันเผยแพ่ไม่ช่วยกันดูแลรักษาศ า, ษาสนานแล้วเนี่ยศาสนาเจยเสื่อมไปได้ข้อต่อไปถามว่าผู้บริหารกิจการของคณะสงฆ์ไม่ว่าจะในส่วนใดจะศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการสูญไปของพระพุทธศาสนานในประเทศเดียบางหรือไม่จะวางแผนดําเนินงานอย่างไรบ้างหรือเปล่า ที่จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนั้นในประเทศไทยไอศึกษานี่คงศึกษากันบ้างนะฮะแต่ว่าคงจะไม่ทั้งหมดหรอกเพราะว่ามันอยู่ในประวัติศาสตร์ของอินเดียเออส่วนมากแล้วพวกที่เรียนมหาบกุฎมหาจุลานะฮะมหาวิทยาลัยมหาบุกุฎราชวิทยาลัยมหาวิทยาลัยมาาหมาจุลาลงกรณราชวิทยาลัยพวกนี้ได้เรียนนะฮะแต่พระเทราทั่วๆไปเข้าใจว่าคงจะได้อ่านกันบ้างนะเพราะว่าเอกสารแนวนี้มันเผยแพร่ยอยู่เยอะ มาเองก็ได้รวบรวมเรียบเรียงประวัติศาสตร์พระพุทธศา ส, สนากึ้นเล่มใหญ่มากนะ400กว่าหน้า <S <S 1> <S 1> ก็มีการนำเรื่องเหล่านี้มาแสดงเหตุผลต่างๆเอาไว้เป็นจำนวนมากแล้วก็หนังสือเล่มเล็กๆที่ขีดเขียนกันออกไปมีการเผยแพร่กันมานานก็แสดงว่าก็รู้นะฮะแต่ถามว่าท่านวางแผนหรือไม่เนี่ยมันก็ไม่ทราบ ทราบแต่ว่าตอนนี้ท่านมีเขาเรียกว่าคณะที่เกี่ยวกับความมั่นคงของพระพุทธศาสนาเนี่ยนะแต่พอดีเขาก็ตั้งอาตมาเป็นที่ปรึกษาเมื่อเขายังไม่ไประชุมไม่ปรึกษาเราเลยก็ไม่รู้อะไรเลยนะแทนที่ก็จะตั้งเป็นกรรมการก็ตั้งเป็นที่ปรึกษาไปปรึกษาเนี่ยมันอยู่ที่เ้าปรึกษาหรือไม่นะถ้าเขาไม่ปรึกษาก็จบถ้าก็ปรึกษาเราก็ได้แสดงความคิดความเห็น ข่าวคืบหน้าเวลาเนี่ยจริงๆยังไม่มีอะไรแต่จากการที่พยายามขวนขวายดิ้นรนเพื่อเกิดเป็นสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติอยู่ในกํากับนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ที่จริงก็เป็นมติของมหาเทศสมาคมแม้กลุ่มพุทธวิาสาจะออกมารณรงค์ล่วงหน้าก่อนหน้านั้นก็ตามหรือ ว, ว่าหลังอย่างนั้นก็ตามแต่ถ้าหากว่า มติมหาเฉสมาคมไม่ออกมาเนี่ยเราก็คงไม่มีพลังอะไรที่จะไปทําให้มันเกิดความเปลี่ยนแปลงได้นะครับเพราะว่าเอกชนไม่ไม่ไม่เป็นทางราชการราชการก็ฝังทางราชการมันก็มีารายพระหัตต์สมเด็จประสังกราชมีมติมหาเฉสมาคมแล้วก็พวกเราก็เป็นผู้เสริมเข้าไปนะฮะเสริมเข้าไปก็ทําให้รัฐบาลรับหลักการเวลานี้พระราชบัญญัติก็ยังอยู่ ที่คณะกรรมการกฤิชดีกาก็รอาการเปิดสภารุ่นใหม่คราวคราวๆวต่อไปเนี่ยก็คิดว่าก็จะเข้าแต่ว่ามันต้องปรับปรุงภายในมากก็วันก่อนได้รับการท้าทามแต่งตั้งในเป็นที่ปรึกษาของคณะกรร ม, มาการ ศาสนาที่รัฐสภาและรู้สึกจะเป็นข่ายสวนะครับเขาติดต่อมาทางโทรศัพท์ก่อนจะนัดประชุมในวันที่ยี่สิบเอ็ดันวาที่จะถึงเนี่ยแต่ว่านังสือแต่งตั้งยังไม่ได้มาไม่ทราบว่าเขาไม่เป็นอะไรแต่ก็กกนัดไปประชุมกันก็คงยาวไปเพิ่มเติม หละการต่างๆเหตุผลต่างๆก็ด <generally> ูเขาตื่นตัวอะไรกันอยู่พอสมควรดูเหมือนจะวันที่เท่าไหร่ในเดือนเดือนมกรานะเดือนมกราเนี่ยมหาเทาลัรเกษตรศาสตร์ก็จัดกิจกรรมในแนวนี้เหมือนกันก็คงจะมาเทสมาคุมเองท่านก็คงจะมีแผลมีอะไรอยู่นะ แต่ว่าความคิดของพระก็อย่างว่าแหละมันเป็นการทำงานที่ไม่มีงบประมาณไม่มีคณะทำงานประจำหมาเตมาคมนี่ท่านเป็นหาเตมาคมเมื่อเวลาประชุมนะเดือนละสี่ครั้งเท่านั้นเองนอกจากนั้นภารกิจในตำแหน่งหมาเตมาคมท่านก็ทำอะไรไม่ได้นะเพราะว่าในส่วนปเจกระชนแล้วนี่ไม่มีอำนาจไม่มีหน้าที่ แต่ว่าที่จริงท่านเหล่านั้นท่านก็มีตําแหน่งงานอย่างอื่นอยู่มีอำนาจหน้าที่ในเรื่องอื่นอยู่หรือต้าว่าตั้งใจจะทํางานนะฮะคืออย่างน้อยก็เป็นขนเป็นขนเป็นภาคอ่า เ, เป็นจังหวัดเป็นอย่างน้อยก็เป็นเจ้าวาดนะเป็นนายเป็นเจ้าวาด ก็มีตำแหน่งด้วยกันทั้งนั้นหมายความมีตำแหน่งประจำด้วยกันทั้งนั้นถ้าจะทำมันก็อยู่ในเกณฑ์ที่จะทำได้อยู่เพียงแต่ว่าท่านจะทำหรือไม่นะแต่เราดูแล้วก็ท่านก็ทำกันนะนะก็ทำกันแต่ว่าเราก็ไม่รู้รายละเอียดหรอกว่าท่านไปทำอะไรกันบ้างเพราะว่ามันดูงานคนละสายกันอาตมามันดูสายศึกษาสายเผยแผ่ไม่ได้เกี่ยวกับท่านเหล่านั้นเราก็ทำงานของเราไปเรื่อยๆ งานศึกษางานเผยแพร่เป็นงานได้อยู่นอกพื้นที่นะฮะออกนอกพื้นที่แต่จะพาะยิ่งการกเผยแพร่ออกไปต่างจังหวัดไปอยู่ต่างจั ง, งหวัดในส่วนกลางก็มีในส่วนต่างจังหวัดก็มีการศึกษาก็อยู่ในองค์กรในสถาบันต่างๆเราก็ไม่ค่อยมีเวลาไปพบปะกับท่านเหล่านั้นเพราะงั้นไม่ค่อยรู้รายละเอียดเท่าไหร่แต่ก็เชื่อมั่นนะฮะว่าท่านคงทํางานกันอยู่ ทั้งฟังทั้งหลายได้ร่วมอภิญญาในวันนี้ข อ, อยุติไว้โดยเวลาเป็นทบบนี้ที่สุดนี้ขอความเจริญ ง, งอกงามไปบุญในธรรมจงมีแล่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี